อย่างพระดิยะทั้งหลายนะถ้าไม่ได้รักษาศีลเป็นข้อๆนะท่านมีสติคุ้มครองจิตอยู่ถ้าถึงขั้นพระละหันเนี่ยท่านไม่ได้จงใจเอาสติคุ้มครองจิตะมันเป็นเรื่องอัตโนมันไม่ต้องคุ้มครองเพราะจิตนั้นฉลาดเต็มดวงแนละ้วเต็มที่ไม่โง่ไม่โง่กิเลสครอบไม่ได้อีกต่อไปแล้วก็ไม่ต้องสู้ถ้ายังไม่ถึงขั้นพระละหันยังต้องสู้อยู่ต้องมีสติคุ้มครองจิตไปเรื่อย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 ว่าตัวขันเนี่ยเป็นตัวทุกข์นะตัวนี้ยากยากสุดเลยแต่ลำพังเห็นว่าถ้ากิเลสเกิดแล้วจิต ด, ดิ้นรนแล้วจิตเป็นทุกข์แค่นี้ไม่ยากพวกเราฝึกกันไม่นานก็เห็นล้นีการจะเห็นว่าจิต ด, ดิ้นรนเพราะอาวิชาตัญหาเกิดเพราะอาวิชาอันนี้ยากเราจะล้างได้นะแต่ไม่ต้องกลัวเราล้างเป็นลาดับไปเราไม่ใช่เอาเด็กอนุบาลไปแอดมิเข้ามหาวิทยาลัย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 เกิดยินร้ายขึ้นมาในรูปในนามนั้นให้รู้ทันยกตัวอย่างเราขับรถมาสวนสันติธรรมนะถูกเขาปาดหน้าใครขับรถแล้วไม่เคยถูกปาดหน้ามีไหมน่นต้องขับเร็วมากเลยปาดคนอื่นลูกเดียว <laughs> ถูกเขาปาดหน้าเห็นไหตามองเห็นใจคิดคิดในทางลบในทางไม่ดีโมโหถ้าคิดทางดีจะไม่โมโหไม่เกลียะ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 ไปกระทบอารมณ์ก่อนเรากระทบอารมณ์แล้วใจก็ตรึกในอารมณ์นั้นแล้วกิเลสก็เกิดขึ้นตาหัวจมูกลิ้นไกาไปกระทบอารมณ์แล้วใจตรึกแล้วเกิดกุศลได้ไหมหรือเกิดแต่กิเลส mm hmm. เกิดกุศลก็ได้ mm hmm. เช่นตาเห็นพระพุทธรูปใจก็คิดถึงพระพุทธเจ้าคิดถึงพระคุณของท่านขึ้นมาใจเป็นกุศลอย่างนี้ก็ได้ได้คะแนนบวกไปแต่ไม่ใช่วิปัสสนา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 เราไม่ได้ไปตรึงมันไว้ด้วยความชอบแล้วไปประคองไปรักษามันไว้นี่นแสดงไตรลักณให้ดูเกิดแล้วก็ดับให้ดู <S <S <S <S เห็นไหมมีแต่ของไม่เที่ยงมีแต่ของเป็นทุกข์มีแต่ของเป็นอนัตตาเมื <S <S <S <S ่อเรามาฝึกนะอันแรกเลยฝึกให้เห็นสภาวะทั้งหลายที่เกิดขึ้นในจิตใจของเรากุศลอกุศลใดๆเกิ ด, ดขึ้นก็รู้แต่กุศลอกุศลหลืสภาวะสุขทุกข์ใดๆเกิดขึ้นเนี่ยอาศัยตาหูจมูกลิ้นกายไปกระทบอารมณ์ภายนอกด้วย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 เป็นความคิดเป็นความเห็นผิดเกิดข really um, ึ้นเป็นคลาล์ๆเท่านั้นมันคิดผิดนะมันก็เห็นผิดเห็นผิดจนชํานาญไว้หมายผิดๆเรื่อยไป่าเลยวิปลาสนานาชนิดไปจิตวิปลาสเนี่ยพวกคิดผิดพิธิวิปลาสพวกเห็นผิดสัญญาวิปลาสพวกหมายผิดๆหมายว่ามีเราค่อยๆรู้ค่อยๆดูนะดูเข้ามาให้ถึงจิตถึงใจจริงในสจะล้างความเห็นผิดไปเป็นกิเลส